อริยสัจน่สำคัญที่สุดเลยแต่ก่อนดูข้ามๆไปนะรู้สึกตื้นๆรู้สึกปฏิจจสมุปบาทเลยนี่หมยลึกซึ้งลึกน่าสนใจกว่าอาริยสัจจริงถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจนะก็เกิอดอีกสำคัญมากถ้าเห็นอริยสัจ เห็นปฏิจจสมบัติมีไม่ว่าดวงตาเห็นธทมในกระบวนการของปฏิจจสมบัติมันทำให้เราเห็นว่าไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์ทำทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นครล่ราเปล่านี่ละสักยัิจิต่ถ้ารู้แจ้งลงมาในรูปในนามได้นะยกว่ารู้แจ้งอริยสัจถึงับพ้นได้ พระุทธเจ้าแต่และองค์ก็ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทไม่เท่ากันบางองค์ท่านสาวไปแค่วิญญาณเป็นตัจใจของนามรูปแล้วก็วกกลับนามรูปเป็นตัจใจของวิญญาณพระมีปัสสีพระสิขีพระเบสะภูุรนี้ท่านท่านดูแค่นี้ท่านกลับพระพุทธเจ้าเราสาวไปถึงอวิชชา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 ภานากันนานๆานเมื่อไรเห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์ล้วนด้วนได้นะจะตับจะวางแล้วนั้นมันวางได้ด้วยปัญญาจริงๆควาว่าปัญญาก็คือการที่เห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นะั่นแหละนะเราต้องพัฒนาสติสมาธิปัญญาขึ้นมามันเห็นเองอี่แรงทำให้เห็นไม่เห็นออก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 รับใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจนะข้ามพบคําชาติไม่ได้อริยสัจลึกที่สุดเลยอย่างเราไม่สามารถเห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยางนึกว่ารู้อริยสัจนะไม่รู้จริงหรอกหรือเราคิดว่ามีสมุทยัยมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์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 จิตมันจะหมุนติ้วๆนะมันทำงานจิตทำงานเรียกว่าพบพบคำเต็มๆผมพบคือกรรมาพนั่นึ่งจิตมันทำงานขึ้นมามันก็มีความทุกข์ขึ้นมามันมีทุกข์เพ่ามันมีภาระไม่มีมีแต่ตอนลงภวังลงวังขจิตแต่ก็ยังทำงานนะไปรู้อารมณ์เก่าแต่ไม่ขึ้นมามันทำแบบอัตโนมัติ น้ำด้วยวิบากเรียกว่าวิบากจิตจิตของเราเนี่เที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยๆเออมีอารมณ์ตลอดเวลารับใดมีจิตก็มีอารมณ์ไม่เคยว่างนี่ภาวนามากเข้ามากเข้าเลยนึงจะเห็นถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกข์จะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ทุกข์แล้วจะเห็น เราก็รู้นึกว่าเข้าใจอริยสัจแล้วนะเพราะว่าท่านบอกสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ลึกๆก็ยังงงอยู่ว่าทําไมท่านเริ่มด้วยทุกข์ก่อนท่านน่าจะสอนอริยสัจสี่เริ่มด้วยสมุทัยถ้าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์น่าจะสอนสมุทัยก่อนแล้วถ้ามีตัณหาแล้วจะทุกข์ตัวทุกข์ก็ไม่ใช่พูดเรื่องตัณหาตัวทุกข์ก็ไปพูดเรื่องขันนั่นอริยสัจไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายๆเลย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 ภาระที่จะต้องทำงานให้รูปนามีความสุขบ้นทุกข์ไม่มีอีกจิตใจเลยเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงสันติสุขสันติสุขนะั่นอะไรคือนิพพานมันมีใครมาจารกรรมแล้วหนือหนูเข้าไปอยู่ในเครื่องว่ามันมันเลยเงียบไปเลย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 ความอยากน้ะหมุนอยู่ในอายตนะทั้งหกนึงในเวลาเราภาวนานะเดิมเราก็คิดว่าตัณหามีสามตัวกลับมาตัณหาพระวตัณหาวิพระวตัณหาพอลงมือภาวนาจริงๆเราเห็นตัณหาหกตัวเรียกว่ารูปตัณหาความอยากได้รูปสัทธตัณหาอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดี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 สอนที่ไรก็สอนอย่างนี้สอนเวียนไปอยู่ในเรื่องของจิตคือพุท ธ, ธะจงครั้งสุดท้ายไปหาท่านครั้งสุดท้ายสามสิบหกวันก่อนท่านมารณภาพไปหาท่านตั้งแต่ตอนบ่ายๆอยู่กับท่านท่านก็เทศให้ฟังไปเรื่อยๆนะเป็นทุ่มหนึ่งท่านน่หอบแหกแทกแทกเลยไม่ยอมหยุดสอนเราก็สงสารท่านมากเลยบอหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับแนละ้ว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 เสร็จแล้วก็ไปเจอท่านเรื่อยๆนะตอนหลังๆท่านหนีไปจากวัดท่านทนโยมไม่ไหวหลวงพ่อตอนนี้ยังทนไหวนะ <c oughs> นายแต่องทนไม่ไหวคงหนีเหมือนกันหาตัวท่านไม่เจอเจ อ, เจอเวลาท่านเข้าไปเทศในกรุงเทพบ้างอะไรบ้งคนเยอะๆคนหลายร้อยคนเป็นพันเข้าไม่ถึงไม่เจอท่านนานหลายปีไม่เจอจนมาปลายปี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 ธรรมะท่านเปลี่ยนฉับพลันเลยที่เทศเทศธรรมดาอันนั้นเทศเสร็จแล้วอผมทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านท้าหานเลยพูดขึ้นมาจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นะันะ่ะเติบโตเต็มที่แล้วนะมันจะเจาะทาลายเปลือกออกมาเองผมฟังท่านแนละ้โอ้สะใจรู้เลยธรรมะของท่านระดับไหนเสร็จแล้วก็ลงมากราบท่านแล้วลงมา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 ตรงนั้นแหละที่เรียกว่าทำลายผู้รู้จิต ท, ที่เหลือมันจะเป็นเกริยาไม่ให้เป็นตัวผู้รู้อีกละสามเดือนก่อนผู้เจ้านิพพานไม่ได้เทศเรื่องอื่นเท่าไหร่หรอกนะในพระไตรปิฎกบอกสเดือนก่อนปรินิพพานเนี่ยเทศอริยสัจเป็นส่วนมากนี่แต่อริยสัจอริยสัจนี่สําคัญดับใดที่อริยสัจยังอยู่าศาสนาพุทธก็ยังอยู่ อริยาศาสตร์หายไปก็คือศาสนาพุทธหายไปละเพราะนพวกเรามีหน้าที่เรียนอริยาศาสตร์เรียนเพื่อความ้นทุกข์ของตัวเองด้วยเรียนเพื่อจะสืบทอดศาสนาไว้ด้วยไม่มีที่ใดจะรักษาศาสนาได้ดีเท่าที่ใจของเรานะถ้าธรรมมเข้ามาสู่ใจของเราแล้วเนี่ยใจของเรานี่แหละเป็นที่รักษาธรรมมาเอาไว้ทรงธรรมเอาไว้จิตนี่แหละที่ของทรงธรรมเอาไว้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 เรามักจคิดว่าพระปัเจกเนสอนไม่เป็นมันไม่มีคนที่ควรจะเรียนครภูมิความรู้ของท่านมากกว่าภาษาริบุตรอีกอย่างน้อยท่านก็บอกได้ว่าที่ท่านทํามาเนี่ยท่านเดินมาได้ยังไงท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางเดินของท่านท่านเดินมาได้ยังไงเดอยว่าไปแต่พระประเจกเลยสาวกทั่วๆไปนี่แหละพอเดินไปได้แล้วก็ย่อมจะรู้ว่าเดินมาได้ยังไงเป็นเรื่องธรรมดา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 ถ้าใจของเราปิดสัอย่างเดียวนะรับไม่ได้พวกเด็กๆบางทีเรียนธรรมะได้ง่ายใจเ ป, เปิดแต่ผู้ใหญ่ยิ่งโตนะใจยิ่งปิดนะใจยิ่งปิดคับแคบเพราะมีของที่เคยเชื่อถือเอาไว้เยอะและ้วใจปิดฟังสิ่งใหม่ๆฟังยากเพราะฟังสิ่งใหม่ๆนะจะเอาไปเทียบกับของเก่าตลอดเวลา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 ลืมมารยาศักด์ลืมธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอาศัยศรัทธาเชื่ออาจารย์มั่งเชื่อเพื่อนมั่งนะลากลากกันไปเมื่ถ้าเดินท่านี้นั่งท่านี้หายใจท่านี้แม้วันหนึ่งมันจะรู้แจ้งเริ่มเก่งกว่าพระพุทธเจ้าล้วนะงั้นเรียนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรียนไว้ฟังฟังแล้วเอามาดู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 ใจลอยไปเปลือไปคิดไปใครเคยเรียนอภิธรรมจะทราบาจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอจิตไปรู้อารมณ์ปัญญัิคือเรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยจิตจะรู้อารมณ์ปรมามัดคือรู้กายรู้ใจไม่ได้ดฉะนั้นการที่จิตเราหลงไปคิดนี่แหละคือศัตรูอันดับหนึ่งหลงวคิดเพลินเพลินไปนั่คิดดีๆคิดอะไรก็ใจสงบได้สมถะเหมือนกัน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 ไตรลักษ์ด้วยการคิดเอาเช่นคิดเอาว่าจิตตะกี้กับจิตเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเป็นไตรลักษ์อันนี้ได้แค่สัมมาสนญาณ ย, ยังไม่ขึ้นวิปัสสนางั้นยังตราบใดที่ ย, ยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพุทธเคยสอนนะบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด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 เนื้ศัตรูของผู้ปฏิบัติวิปัสนานอันแรกหลงไปเผลอไปขาดสติลืมเนื้อลืมตัวตามใจกิเลสไปอั น, นี้เรียกว่าอากุศลาพิสังขารบ้างอาปุญญาพิสังขารบ้างเรียกว่าการสุขาริการุโยคบ้างมีหลายชื่อศัตรูหมายเลขสองคือการเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจกํนะาหนดกายกําหนดใจควบคุมไว้ทำกายทําใจให้ลําบาก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 นั่นไม่ใช่การเจริญสติเรียนอะไรมาบ้างละ่ะศึกษาธรรมะอะไรม า, ามั่งหลวงพ่อก็ว่างนั่นลยไปเรียนมาจากไหน อ, อหลวงพ่อธรรมานาปนาสติเริม<า>่มตน้นตั้งแต่เจ็ดขวบ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 นี่ก็ต้องรู้จักวิธีเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งอ่านนั่งคิดนะนั่นแหละศัตรูของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยในขั้นของวิปัสสนานี่ทําได้อย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอกกายนมามัตย์ทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองก็คือการมีสติรู้กายมีสติรู้ใจ น, ะนั่นเองที่เรียกว่าสติปัฏฐานท่า น, นถึงสอนว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียว